ทีนี้ต่อไปนะว่าอันหนึ่งการที่ทรงประกอบด้วยสุขอันเกิดจากปัจจัยซึ่งมีบริวารสมบัติเป็นลักษณะท่านแสดงไว้เพราะทรงประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือสัจจะเหตุที่ไม่ตรัสให้คลาดเคลื่อนนะคนที่มีสัจจะนี่นะครับจะได้รับความสุขที่เกิดจากปัจจัยอย่างหนึ่งไม่เดือดร้อนเรื่องปัจจัย4ี่รอครับถ้ามีสัจจะจริยยงๆนะ จะไม่เดือดร้อนใจเรื่องบริวารสมบัตินนะปัจจัยสมบัติและบริวารสมบัติจะไม่ต้องเดือดร้อนเลยถ้าคุณมีสัจจะจริงจริงแบบนั้นเถอะนะถ้าถ้าคนนี้ไม่มีสัจจะนี้ก็เดือดร้อนเรื่องปัจจัยกับเรื่องบริวารแน่นอนเนี่ย น, นะเพราะคนที่พูดจริงแล้วก็ปัจจัยก็ไม่น่ามีปัญหานะครับบริวารก็ไม่น่ามีปัญหาการที่ทรงประกอบด้วยความสุขตามสภาวะซึ่งมีความสันโดษเป็นลักษณะ ท่านแสดงไว้เพราะทรงประกอบด้วยทิฐานธรรมคือจาระเหตุที่พระองค์ไม่มีความโลภมันผู้ที่มีจาระจริงๆนะจะมีความสุขตามสภาวะที่เกิดจากการสันโดษนะคบเขาบอกว่าอะไรเป็นทรัพย์ที่สุดทรัพย์อย่างยิ่งคืออะไรรู้ไหมครับทรัพย์อย่างยิ่งคือความสันโดษรรมบทว่างั้นนะครับ รำมบทบอกว่าความสันโดษเนี่ยเป็นทรัพย์สุดยอดของทรัพย์แล้วนะครับถ้ามีมากเท่าไรถ้ามไม่รู้จักสันโดษก็เหมือนกับไม่มีแหละครับเพราะมันหิวอยู่ตลอดนั่นแหละเ <c oughs> สือหิวนะแต่ถ้าหากว่ามีความสันโดษมีน้อยก็พอใจเพราะความสันโดษนี่แหละเป็นทรัพย์อย่างแท้จริงนะครับนนนนก็เหมือนกันหมดนะครับถ้าเขารู้จักสันโดษก็เขามีทรัพย์อย่างยิ่งแล้วล่ะนะครับ เพราะว่าถึงมีบอกแผ่นดินนี่เขาบอกว่ายกให้เป็นของเราหมดเลยนะถ้าเราไม่สันโดษก็น่าจะอยากได้แผ่นดินอันใหม่อีกนะถ้าไม่รู้จักสันโดษเนี่ยนะนความสันโดษจึงเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะพุทธพจน์เลยการที่ทรงประกอบด้วยความสุขอันเกิดจากเหตุมีความเป็นผู้ได้ทําบุญไว้แล้วเป็นลักษณะท่านแสดงไว้เพราะทรงประกอบด้วยทิฏฐานธรรมคืออุปสมะเหตุที่พระองค์ไม่ทรงถูกกิเลสครอบงำ คนที่ไม่ถูกกิเลสครอบงำนี่คนนี้เป็นคนมีบุญเก่าเยอะนะครับคนที่ไม่ถูกกิเลสยั่วยวนเย้ายวนกิเลสครอบงำย่ำเยีจิตนะคนนี้แสดงว่าเป็นคนมีบุญไว้ทำไว้มากแล้วนะจึงไม่ถูกกิเลสกลุ่มรุมนะครับแล้คนที่สงบอุปสมะได้ก็ดูว่าถูกกิเลสเล่นงานไหมถ้าคนไม่ถูกกิเลสกลุ่มรุมเล่นงานแสดงว่าคนมีบุญนะครับการที่ทรงประกอบด้วยความสุขอันเกิดจากความสงบระงับทุกข์ ซึ่งมีวิมุติเป็นลักษณะนะครับท่านแสดงไว้เพราะประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือปัญญาเหตุที่พระองค์ทรงบรรลุนิพพานได้ด้วยยาณสมบัติเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าผู้ที่มีปัญญาจริงๆก็ได้บรรลุพระนิพพานใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาจริงๆก็ต้องหลุดพ้นจากวัตทุกรได้นะถ้าบอกคนโนโ้นนมีปัญญาจริงๆแสดงว่าปัญญาของเขาต้องเป็นไปเพื่อพ้นจากวัตทุกรถ้าไม่พ้นจากวัตทุกรก็ยังประกาศไม่ได้ว่ามี มีปัญญานะครับเพราะว่าปัญญานี้เป็นเป็นเหตุที่ทําให้พ้นจากวัตรทุกข์ได้จริงๆริงอธิฐานธรรมนี่เชื่อมไปหาหลักธรรมอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับผมอ่านอัตกถาตามแนงเนี่ยผมซาบซึ้งมากทําไมอะเพราะว่าเชื่อมเนื้อหาให้เห็นไปกับเรื่องอื่นๆให้เห็นว่าพระไตรปิฎกสูตรหรืออื่นๆที่มีในที่อื่นเราอ่านแล้วไม่เสียเปล่า คือเนื้อหายังเชื่อมกันได้สอดคล้องกันเป็นตุเป็นตะไปหมดนะนะเห็นความคือสัมพันธ์กันไปหมดนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหเรียนคนละวิชาแล้วมันไม่เข้ากันเลยนะครับชั่วโมงพระวินัยกับอย่างหนึง่งชั่วโมงพระสูตรกับอย่างหนึง่งชั่วโมงอริธรรมกัอย่างหนึง่งบรรยากาศไม่เหมือนกันเลยแต่ให้เรียนเหมือนอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดนะครับเพราะว่าศีลสมาธิปัญญานี่ต่างกันตรงไหนครับ เพราะศีลสมาธิปัญญาอบรมซึ่งกันและกันอยู่แล้วช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วเพราะฉะนั้นไปเรียนเรื่องศีลก็ช่วยมาเพื่ออบรมจิตและปัญญาเรียนเรื่องปัญญาก็เพื่อให้ศีลดีขึ้นปัญญามั่นคงขึ้นเนี่ยนะครับก็ต้องสนับสนุนกลับไปกลับมาท่านเรียนธรรมะก็น่าจะเชื่อมต่อกันได้ตลอดสายถ้าเชื่อมกันต่อกันไม่ได้ก็ม่ฮมันน่าหนักใจเหมือนกันเอ๊ะเรานี่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าเครื่องมันจะช็อตเอาหรือเปล่านะครับว่ามันไม่เห็นสัมพันธ์กันเลยนะครับหรือว่าสายมันขาดไปกี่เส้นเนี่ย นะครับเครื่องเสียงไม่ดังสายมันขาดมั้งหรือไฟดับหรืออะไรก็นแน่นะครับก็ต้องไปตรวจสอบได้การศึกษาธรรมะตามคําสอนนี้ผมเชื่อว่าตรวจสอบได้หมดเลยนะครับว่าอยู่ในระดับไหนระดับไหนถ้ามีการศึกษาอย่างชัดเจนนะครับถ้าศึกษาไม่ชัดเจนนี่ก็ศาสตร์ทั้งหลายก็มีกรรมเป็นของตนจริงๆนะครับถ้าหากว่าไม่ชัดเจนแล้วไม่รู้ใครจะช่วยอะไรเขาได้นะครับพระองค์เป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นเองถ้าเข้าฟังเรื่องทางไม่จบนี่จะไปช่วยอะไรเขา ใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางนะครับในมรควัต น, นะพระองค์เป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางถ้าหากว่าโอ้โเขายังฟังคนชี้ชี้ทางยังชี้ไม่ทันจบเลยรีบไปแล้วนะไปแล้วก็กลับมาถามคนชี้ใหม่หรือเปล่าดีไม่ดียคนชี้อาจจะไม่รู้จริงหรอกนะว่าไป น, นั่นไปนะครับดีไม่ดีนึกตำหนิพระรัตนตรัยอีกเสื่อมจากพระรัตนตรัยอีกเสียหายอีกอสัตว์น่าสงสารเหมือนเรานะครับ อันหนึ่งการที่ตรัสรู้และแทงตลอดศีลขันอันเป็นอริยะเนี่ยนะครับได้สําเร็จเพราะท่านแสดงไว้เพราะทรงประกอบด้วยที่ฐานธรรมคือสัจจะอันคนที่มีสัจจะจริงๆเนี่ยนะครับจะตรัสรู้และแทงตลอดสีลขันอันเป็นอริยะศีลขันอันเป็นอริยะก็คือศีลที่เอาสูงสุดเลยก็คือสีที่เกิดร่วมกับอริยามรรคอริยผล คนที่มีสัจจะจริงๆจะได้คุณธรรมคือศีลอันเป็นโลกุตระมักและโลกุตระผลแบบสูงสุดเลยนะถ้ามีสัจจะจริงๆนะการที่ตรัสรู้และแทงตลอดสมาธิขันอันเป็นอริยะได้สําเร็จท่านแสดงไว้เพราะทรงประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือจัคะถ้ามีความเสียสละจริงๆคุณต้องได้สมาธิขันอันเป็นอริยะว่าอนกันแต่เนี่ย น, นะแต่ต้องตรัสรู้หรือแทงตลอดสมาธิขันระดับอริยะถ้ามีจากขะจริงๆนะ การที่ตรัสรู้แทงตลอดปัญญาอันเป็นอริยได้สำเร็จท่านแสดงไว้เพราะทรงประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือปัญญาเหมืนคนที่มีปัญญาจริงๆเนี่ยต้องตรัสรู้และแทงตลอดปัญญาขันคำว่าขันตรงนี้แปลว่ากองนะครับกองกองแห่งแห่งปัญญานะครับคือไม่ใช่อันเดียวอย่างนั้นเปัญญามีเยอะเป็นกองกองอย่างนั้น การที่ตรัสรู้และแทงตลอดวิมุตติขันอันเป็นอริยะได้สําเร็จท่านแสดงไว้เพราะทรงประกอบด้วยทิฐานธรรมคืออุปสมะเพราะฉนั้นผู้ที่มีอุปสมะก็จะเข้าถึงวิมุตต์อันยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นสัจจะทําให้ได้ตรัสรู้แทงตลอดศีลขันจาคะทําให้ตรัสรู้และแทงตลอดสมาธิขันปัญญาทําให้ตรัสรู้แทงตลอดปัญญาขันอุปสมะทําให้ ตรัสรู้และแทงตลอดวิมุตติขันนะครับแม่อธิฐานธรรมสงครอบเป็นศีลสมาธิปัญญาวิมุตติขันได้นะครับแปลว่าเป็นกองกองท่านเชื่อมของท่านไปได้นะครับพระธรรมปาละนี้เก่งมากนะครับสามารถเรียบเรียงคัมภีร์เหล่านี้ได้นะครับคืออย่าลืมให้รู้ว่าธรรมะทั้งหมดเรานี้เป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระอาจารย์ทั้งหลายที่นั่นก็คือผู้เรียบเรียงคําสอนนะครับหรือคนอ่านสารพระราชา นะครับใ ห, ให้เข้าใจความประสงค์ของพระราชามากขึ้นนะครับให้เข้าใจความประสงค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้ประสงค์อะไรกันแน่เราศึกษาธรรมมา ก, ก็ให้รู้ความประสงค์ของพระองค์นะครับอย่าลืมพุทธศาสนานะครับศาสนาของภาษาสดาของเรานะครับภาษาสดาประสงค์อะไรพระองค์จึงแสดงธรรมเพื่อสงฆ์ข้ออนุเค ร, ราะห์ศัตดิ์ทั้งหลายความสําเร็จแห่งปัจจยัย4ท่านแสดงไว้เพราะทรงบําเพ็ญอธิฐานธรรมคือสัจจะ เนื่องจากพระพุทธเจ้ามีสัจจะนี่ น, นะครับทําให้พระองค์มีปัจจัยสปัจจัย4ี่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับมีทั้งโลกนะครับเชื่อไหมครับแผ่นดินไทยเมื่อก่อนแผ่นดินไทยก็คือแผ่นดินของพระพุทธเจ้าพระเจ้าตากสินก็รบเพื่อแผ่นดินไทยแม้แผ่นดินทอมมากกของพระพุทธเจ้าแผ่นดินอื่นๆอีกสมัยก่อนก็คือแผ่นดินของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับราฉะนั้นปัจจัย4ี่ของพระองค์นี่พี่พร้อมบริบูรณ์ไปหมดนะครับ แค่ว่าสมบัติในผู้ศาสนาเนี่ยเที่ยวแสวงหาบางอย่างก็หาค่าไม่ได้นะครับเนี่ยนะบางหลายชิ้นก็หาค่าหาประมาณไม่ได้นะขนาดวัตถุนะอย่างตีประมาณไม่ได้อย่างพระแก้วมรกตเนี่ยนะครับก็ตีประมาณไม่ได้ว่ามีมูลค่าเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากพระองค์มีสัจจะเนี่ยทำให้มีปัจจัยสี่มหาสาลเหมนนครความสําเร็จแห่งการสละทิ้งทั้งปวงท่านแสดงไว้เพราะทรงบําเพ็ญอธิฐานธรรมคือจากขะ เนื่องจากพระองค์มีอธิษฐานธรรมคือจาคะเนี่ยทำให้พระองค์สละทิ้งทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งวัตถุกรรมกิเลสกรรมเนี่ยนะครับแม้สละทิ้งแม้กระทั่งพบทั้งหมดเนี่ยอาศัยอธิษฐานธรรมของพระองค์คือจาคะความสําเร็จแห่งอินทรีย์สังวรท่านแสดงไว้เพราะทรงบําเพ็ญอธิษฐานธรรมคืออุปสมะเนี่ยนะความที่พระองค์มีความสงบเนี่ยทำให้พระองค์มีอินทรีย์สังวรได้ คนที่ไม่มีความสงบจิตจะไปรักษาอินทรีย์สังวรเนี่ยนะครับไม่ให้ตากลิ้งซ้ายกลิ้งขวาได้ยังไงนะครับถ้าจิตไม่สงบแล้วนะเพราะพวกนั้นจิตต่เชรูปนี่นะครับถ้าจิตสงบแล้วอินทรียทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นก็จะสงบนะครับ <S <S <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นอุปสมะเนี่ยทำให้อินทรีย์สังวรสําเร็จได้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ส่วนความสําเร็จแห่งพุที่คือความรู้ท่านแสดงไว้เพราะทรงบําเพา็ญอธิฐานธรรมคือปัญญาถ้าเป็นคนมีปัญญาจริงๆจะต้องมีความสําเร็จคือพุที่ต้องมีความรู้นะครับ แล้วก็ความสําเร็จแห่งพระนิพพานท่านก็แสดงไว้เพราะทรงบําเพ็ญอธิฐานธรรมคือปัญญาถ้ามีปัญญาจริงๆนะจะต้องได้รับความสําเร็จคือมรรคผลและนิพพานเหมงอนกันเถิถ้ามีปัญญาจริงๆนะจะต้องได้รับความสมลลาําเร็จอันนั้นแล้วก็ขยายลึกซึ้งเพิ่มเติมอีกว่าการได้ตรัสรู้อริยสัจ4ี่ท่านแสดงไว้เพราะบําเพ็ญอธิฐานธรรมคือสัจจะนะสัจจะทําให้บรรลุอริยสัจสี่นะครับ การได้อริยวงศีท่านแสดงไว้เพราะทรงบำเพ็ญอธิฐานธรรมคือจาคะถ้ามีจาระจริงๆนะครับก็จะได้อริยวง4ประการอริยวงศีคือสันโดษในปัจจัย4นะครับสันโดษในจีวรอาหารบิณฑบาตเสนาสะนะตามมีตามได้นะครับยินดีในภาวนาแล้วก็ยินดีในการละกิเลสอั้นถ้ามีเสียการเสียสละจริงๆจะได้อยู่ในอริยวงได้นะครับ การได้อริยวิหารธรรม4นะครับอาริยวิหารธรรมทเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะ4ประการนะครับท่านแสดงไว้เพราะการบำเพ็ญอธิฐานธรรมคืออุปสมะนะฮะอริยวิหารธรรม4ผมเข้าใจว่าหมายถึงอริยผลสีนะครับโซดาปฏิผลเป็นต้นมันถ้ามีความสงบจิตจริงๆก็ได้สวยสมผลสสมาบัติได้นะครับการได้อริยโวหาร4ี่ อริยโวหารโวหารของพระอริยสี่ประการนะครับเห็นก็ว่าเห็นได้ยินก็ว่าได้ยินทราบก็ว่าทราบรู้ก็ว่ารู้เนี่ยนะไม่เห็นก็ว่าไม่เห็นเป็นต้นเนี่ยนีเคเราโวหารของพระอริยเนี่ยเพราะพระ อ, องค์ทรงบำเพ็ญอธิฐานธรรมคือปัญญานะครับพระ อ, องค์ก็จะปฏิ ญ, ญาณตามฐานะตามความรู้ตามความเห็นของพระ อ, องค์นะครับท่านประกาศพระมหากรุณาของพระตถาคตเจ้า โดยการแสดงที่พระองค์นทรงปรารถนาโลกิยะสมบัติและโลกุตระสมบัติแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยบทว่าพระควาตานะครับโดยบทว่าพระควาตาเนี่ยนะทำให้พระองค์นี้ปรารถนาโลกิยะสมบัติและโลกุตระสมบัติแก่สัตว์นะอยากให้สัตว์เนี่ยเข้าได้รับโลกิยะสมบัติคือความสุขนะแล้วก็โลกุตระสมบัติเนี่ยเรียกว่าประกาศหันพระควาตาเนี่ย พระผู้มีพระภาคให้รู้ว่าบ่งถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ประกาศปหาปัญญาปัญญาในการละนะโดยการแสดงที่พระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยการละด้วยบทว่าอารหัตตาปัญาเนี่ยนะฝันอรหันเนี่ยหมายถึงปหานะคือการสละกิเลสละกิเลสไปทั้งหมดนั่นเองทีนี้มาขยายเป็นรายละเอียดว่าบรรดาพระปัญญาและกรุณาทั้งสองนั้น การที่พระองค์ทรงบรรลุ ค, ความเป็นพระสัตธธรรมราชาด้วยปัญญาเป็นพระราชาแห่งธรรมด้วยอำนาจปัญญานะคิดดูนะความที่พระองค์ทรงเป็นพระธรรมราชาเนี่ยยักย้ายเทศนาได้ละเอียดลึกซึ้งนะครับถ้าจะพูดโดยสภาวะประมาสก์ก็จิตเจตสิกรูปนิพพานแล้วก็บัญญัติเท่านั้นเองนะแต่พระองค์ก็มาสามารถขยายยักย้ายเทศนาด้วยความลึกซึ้งความที่พระองค์เป็นพระราชาอย่างหนึ่ง อย่างหนึ่งก็เนื่องจากอัธยาศัยของเวนนายสัตว์เนี่ยอย่างหนึ่งนะครับพร้อมพระองค์สามารถยักย้ายได้เข้ากับเหตุการณ์สถานที่และความเหมาะสมได้หมดถูกต้องหมดเลยนะครับนี่คือปัญญาของพระองค์มาจากบทว่ า, าภาพปัญญานี้มาจากอะไรครับมาจากอรหัตตาประกาศการที่พระองค์ทรงจำเนกทําไว้อย่างดีด้วยพระ ก, กรุณาเมื่อมีความสามารถขนาดนั้นก็มาแจกแจงให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะ พระ อ, องค์มีสมบัติคือปัญญารู้แจ้งสัตรธรรมโลกุตระธรรมทั้งหลายพระ อ, องค์ก็เที่ยวแจกให้สัตว์ได้รับโลกุตระธรรมเหล่านั้นนั่นะนะอันนี้คือพระมหากรุณาของพระ อ, องค์ประกาศการที่พระองค์ทรงนายในสังสารทุกข์ด้วยพระปัญญาพระ อ, องค์เนี่ยนะครับเบือนายในสังสารทุกข์ทุกข์คือความเป็นไปโดยลําดับแห่งขันธาตุอายตนะเนี่ยพระ อ, องค์นี่เบือหน่ายจากสิ่งเหล่านี้จริงๆเพราะมันมีโทษอ่ะพระ อ, องค์อันนี้ด้วยปัญญาของพระ อ, องค์นะ ประกาศการที่พระองค์ทรงทาลายสังสารทุกเนี่ยด้วยกรุณาทีนี้เมื่อพระองค์ได้ทําลายเบ็ดเสร็จเนี่ยนะมาประกาศให้ฟังกรุณานะครับรองค์จึงมาเที่ยวประกาศให้คนอื่นรู้นะสงเคราะห์เพื่อสงเคราะห์คนอื่นเป็นต้นเนี่ยนะแต่ถ้าให้เป็นธรรมดาเนี่ยนะไม่มีกรุณาก็เอาชั้นสบายแล้วท่านก็พน้นทัชชันแล้วอันนี้คือขาดกรุณาแต่ไม่ไม่ใช่ไม่ดีนะครับดีแล้ว เพียงแต่ว่าการุณานี่น้อยไปเมื่อเทียบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแต่ผู้ที่บรรลุแล้วไม่สอนคนอื่นอย่าไปนึกตําหนิท่านนะบาปนะครับกราบไหว้ท่านเถอะครับนั่นนะกราบไหว้ก็ได้บุญแล้วอย่างนั้นเถอะเพราะท่านมีคุณความดีอย่างนี้แล้วนั่นนะประกาศการที่พระองค์ทรงกําหนดรู้สังสารทุกข์ด้วยพระปัญญาหมายความว่าพระองค์ทําปริญญาในสังสารทุกข์หมดเลยอันนี้ด้วยปัญญาของพระองค์นะครับ ประกาศการที่พระองค์ทรงเริ่มแก้ทุกข์ของบุคคลอื่นด้วยพระ ก, กรุณาอนุภาพของกรุณาเนี่ยช่วยแก้ทุกข์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายอย่างอื่นๆด้วยโดยหมดสิ้นนะครับแก้ทุกข์ให้คนอื่นได้นะตามสมควรแก่ทุกข์ของสัตว์นั้น ๆ, ๆนะประกาศการที่พระองค์เนี่ยนะครับทรงมีพระทัยมุ่งมั่นต่อพระนิพพานต่อปรินิพพานด้วยปัญญาทั้งกิเลสปรินิพพานและขันธปรินิพพานเนี่ยนะพ่อพระองค์มีปัญญา ประกาศการที่พระองค์ทรงบรรลุพระนิพานนั้นด้วยพระกรุณามุ่งต่อ น, นิพานด้วยปัญญาแต่ที่บรรลุนิพานนี้ด้วยกรุณาประกาศการที่พระองค์ทรงข้ามพ้นสงสารสังสาระเนี่ยด้วยปัญญาครับคนถ้าไม่มีปัญญาข้ามพ้นจากสังสาระเหล่านี้ไม่ได้หรอกอันปัญญานี่ยแหละทำให้พระองค์ข้ามพ้นสงสารเหล่านี้ประกาศการที่พระองค์ยังบุคคลเหล Power ่าอื่นให้ข้ามพ้นสงสารด้วยพระกรุณา อาศัยกรุณาที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายนะครับทำให้สัตว์เนี่ยพ้นจากสังสารทุกข์คราวนี้อยากถามครั บ, รบการการบรรลุหรือการเข้าถึงปรินิพานเนี่ยด้วยกรุณานี่เอ๊ะมันกรุณาอย่างไงในเมื่อท่านปรินิพานว่าเสียอ๋อคาว่าปรินิพานก็อย่างน้อยที่สุดก็กิเลสปรินิพานก่อนใช่ไหมครับ<ม>นะกิเลสปรินิพานเนี่ยถ้าพราะองค์ไม่ละกิเลสนะจะมาสอนคนอื่นสอนได้อย่างไงครับ อย่างหนึ่งนะเรียกว่ากิเลสปรินิพานแล้วก็ถามว่าขันธทปรินิพานเนี่ยนะครับโดยที่เรียกว่าดับสิ้นเชิงก็กรุณาแล้วว่าคื อ, อสัตว์ทั้งหลายที่จะสงเคราะห์มีเท่านั้นจริงๆเนี่ยนะครับเพราะปัญญาขององค์ตรวจสอบดูแล้วว่ามีเท่านี้จริงๆช่วยกว่านี้อีกไม่ได้แล้วมันทํางานได้เท่านี้เหมือนันเถอะ น, นะมันมีเท่านี้จริงจริงเหนกันเถอะผู้ที่เป็นพุทธเวไน ย, นยมีเท่านั้นจริงๆเมื่อทํากิจของพระองค์เดบบ็ดเสร็จแล้วพระองค์ก็ดับขันธ์ปรินิพาน แต่ไม่ใช่ทนตรากตรำสังขารอยูนะ่นั้นก็แสดงว่าไม่มีปัญญาสิครับแล้วก็ขาดการุณาต่อตัวเองด้วยเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่กรุณาต่อสัตว์จนขาดการุณาต่อตัวเองนะครับดงนั้นพระองค์ก็กรุณาของพระองค์ให้สมดุลกันหมดนะครับทีนี้ต่อไปนะว่าพระองค์นี้ข้ามพ้นสงสารเนี่ยนะสังสารวัต ด, ด้วยพระองค์เองด้วยพระปัญญาใช่ไหมครับยังบุคคลเหล่าอื่นให้ข้ามพ้นสงสารด้วยพระ กรุณาเพราะกรุณานั่นแหละจึงช่วยสัตว์ให้คนอื่นพ้นด้วยอ่ะเนี่ยนะถ้าลำพังก็โอ้ชั้นพ้นแล้วเขาสบายแล้วคนอื่นก็นแล้วแต่เขาแต่นี่ไม่ได้นะเราพ้นแล้วคนอื่นต้องพ้นด้วยเราอิ่มแล้วคนอื่นต้องอิ่มด้วยอย่างเงี้ยนะประกาศความสําเร็จแห่งความเป็นพุท ธ, ธะด้วยพระปัญญานะประกาศความที่พระ อ, องค์เนี่ยบรรลุอริยสัจสี 4, คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยอนุภาพแห่งปัญญานะครับทําให้พระ อ, องค์บรรลุอริยสัจทั้ง4 ทีนี้ประกาศความสําเร็จแห่งพุทธกิจด้วยพระกรุณาคือกิจเมื่อบรรลุอริยสัจสีแล้วต้องทํำยังไงบ้างอันนี้อาศัยพระหมาหาการุณานะครับจึงบําเพ็ญพุทธกิจเหล่านั้นนะครับอีกประการหนึ่ง <S <S ประกาศภาวะที่พระองค์ทรงรเผชิญอยู่ในสงสารในภูมิแห่งพระโพ ธ, ธ, ธิสัตว์ด้วยพระกรุณานะครับในสงสารเนี่ยตลอดเวลาสีอสงไขยแสนกับเนี่ยนะครับ ต้องทนทุกทรมานเนี่ยนะครับบางครั้งก็ตกนรกเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ด้วยกรุณาต่อสัตว์จริงๆนะครับถ้าไม่กรุณาจริงๆแล้วมันอยู่ไม่ได้นะครับมันร้อนรนไปหมดแล้วนะครับนรกเนี่ยมันไม่ได้ม้วนเลยถ้าหากว่าตัดสมุทฐานต้นเหตุแห่งนรกก็ตัดได้ตั้งแต่เป็นสมเมตบัณฑิตใช่ไหมครับแต่ก็นี่ถ้าไม่ตัดยังไงก็ต้องไปสู่อบายทุกขติวิบาตนรกอะ่ะแต่ท่านก็ทนได้นะครับในระหว่างว่าเออเนี่ยเพื่อสัตว์ทั้งหลายยันนะ ตราตรำอยู่ในนรกเนี่ยนะครับเสียสงไขยแสนกับก็อยู่ได้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าจิตใจของท่านมุ่งมั่นขนาดนั้นเพื่อสงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายและก็ประกาศการที่พระองค์ไม่ยินดีในสงสารนั้นด้วยปัญญาถามว่าที่อยู่เนี่ยยินดีไหมไม่ยินดีแต่ที่อยู่เนี่ยพ่อสงสารอ่า ง, ง น, นั้นแท้กันนะคิดดูเอ๊ะพระองค์นี่สงสารเราจริงๆเลนะไอเราเสงสารพระองค์บ้างด้วยมนะั่ย บอว่าถ้าสงสารพระองค์นะเราก็ได้น่าจะได้รับมรดกอะไรจากพระองค์บนะ้างนะพูดแบบพ่อแม่นะโอพ่อแม่ทำมาหากินอาบเงือต่างน้ำทิ้งมรดกว่าให้ลูกเปไปหมดเลยลูกไม่เอาฐาน น, นี่มนงั้นเธอเอาแต่ขี้แกลบไงนะไม่เอามรดกพ่อแม่มาใช้เลยนะเที่ยวเก็บขยะขายที่ไหนอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยถ้าอย่างนี้ก็เสียหายมากนะครับโอ้แล้วพ่อจะหาว่าให้ใครเนี่ยมงั้นนะถ้าเราไม่รับนะนคิดแบบนี้ ต้องเพียรพยายามที่จะรับอริยทร e? ัพย์อันนี้เป็นธรรมทายาทอันนี้จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปนะครับพงอย่างแต่เอ้ยอย่าเป็นอมิยทายาทเลยอย่าไปเอาแกลบเอาทานเลยอย่งนั้นเถอะอย่าไปเห็นแก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเลยเห็นแก่ทำเถอะอ้าวก็อาหารบิณฑบาตเป็นต้นกับธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะครับทีนี้ต่อไปว่าอันหนึ่งประกาศการที่พระองค์ทรงทําบุคคลเหล่าอื่นให้ได้รับอภิเศษ ด้วยน้าอมฤตเนี่ยด้วยพระมหากรุณาสงสารนะครับทําให้สัตว์ทั้งหลายได้โสดาปติมัคสกาธาคามิมกักอนาคามิมกักอรหัตมักเนี่ยนะให้สัตว์ได้เข้าถึงอริยมรรคเหล่านั้นนี่คือพระมหากรุณาของพระองค์ประกาศการที่พระองค์ไม่ทรงหวนเกรงบุคคลอื่นเนี่ยด้วยปัญญาไม่นึกกลัวใครเลยนะครับเพราะว่ามีปัญญาเต็มที่ก็จะไม่นึกกลัวใครเลยแบบนั้นเถิดประกาศพระดํารัสที่ว่าเมื่อรักษาคนอื่น ก็เชื่อว่ารักษาตนด้วยพระกรุณาอันถ้าคนที่รักษาคนอื่นจริงๆนะต้องรู้จักรักษาตัวเองด้วยมันไม่ใช่ว่าไปจะไปเที่ยวช่วยคนอื่นตัวเองก็เสียศีลเสียธรรมเนี่ยนะครับไม่ใช่ช่วยนะครับแต่นี้ถ้าช่วยจริงๆตัวเองก็ยังรักษาตัวเองได้นะครับจึงจะชื่อว่ารักษาคนอื่นจริงนะถ้ารักษาคนอื่นจริงๆก็ด้วยการรักษาตัวเองนะครับประกาศพระดํารับทที่ว่าเมื่อรักษาตนก็ชื่อว่ารักษาบุคคลอื่นด้วยก็เชื่อว่าปัญญา ถ้ารักษาตัวเองอย่างถูกต้องก็เท่ากับรักษาคนอื่นด้วยนะครับในตัวเบ็ดเสร็จมอนกันรักษาตนก็ชื่อว่ารักษาคนอื่นรักษาคนอื่นก็ชื่อว่ารักษาตนแต่รักษาด้วยอะไรครับด้วยเมตตาเป็นต้นด้วยคุณธรรมทั้งหลายนั่นเองอันหนึ่งประกาศการที่พระองค์ไม่ทำบุคคลอื่นให้เดือดร้อนด้วยพระกรุณาเนื่องจากมีพระกรุณาใช่ไหมครับไม่ทาให้ใครเดือดร้อนเลยนะครับ ไม่ให้เดือดร้อนทางกายทางใจอะไรเลยเอามั้ยครับพระองค์ทาให้สัตว์ทั้งหลายตกนรกนี้ไหมครับแต่ตกนรกเพราะกรรมของตัวเองเ น, อ น, นะนะเฉพาะกรรมของตัวเองแต่พระองค์เนี่ยช่วยให้สัตว์เนี่ยพ้นจากทุกข์มหาศาลเพราะเนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เลยไม่ทําให้ใครไปส่วบายเพระพระองค์เลยแต่ทีนี้ถ้าเขาจะไปด่าพระองค์แล้วพระองค์จะไปทําอะไรนะพราะพระองค์ไม่ได้ไปทําให้เขาด่าแต่เขาอ่ะบาปอากุุลที่เกิดภายในเขานึกตําหนิพระพุทธ เ, เจ้าเองนะครับ แต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้เบียดเบียนคนอื่นแน่นอนนะประกาศการที่พระองค์ไม่ทำพระองค์เองให้เดือดร้อนด้วยภาปัญญาไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนแต่บางคนทำให้ตัวเองเดือดร้อนแต่นี้ไม่ใช่นะครับตัวเองก็ต้องไม่เดือดร้อนด้วยนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะของปัญญาของพระองค์ด้วยการที่ไม่ทรงทาพระองค์เองให้เดือดร้อนจึงเป็นอันสาเร็จภาวะเป็นบุคคลที่4ี่คือะา้าหันนะนะ โสดาบันเป็นบุคคลที่ 1. นึ่งสกทาคามีที่2องอนาคามีที่สามมรรหนเป็นบุคคลที่4ี่ด้วยการที่ไม่ทรงทำพระองค์เองให้เดือดร้อนจึงเป็นอันสำเร็จเป็นบุคคลที่4ในบรรดาบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองเป็นต้นคือบางคนเนี่ยนะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อตนแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อคนอื่นบางคนก็ปฏิบัติเพื่อผู้อื่นแต่ไม่ใช่ว่าปฏิบัติเพื่อตนบางคนไม่ปฏิบัติทั้งเพื่อตนและคนอื่น แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติทั้งเพื่อตนเองด้วยและเพื่อผู้อื่นด้วยนะครับอันหนึ่งประกาศความที่พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของโลกด้วยพระกรุณาเนี่ยนะถ้าไม่มีกรุณาเนี่ยนะพระองค์เป็นที่พึ่งให้แก่โลกไม่ได้หรอกแต่ถ้ากรุณาทําให้พระองค์บําเพ็ญบารมีเลยเป็นที่พึ่งของโลกได้ประกาศความที่พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของพระองค์ด้วยปัญญานะครับเป็นที่พึ่งของคนอื่นด้วยนะแล้วก็เป็นที่พึ่งของพระองค์ด้วย อันหนึ่งประกาศภาวะที่พระองค์ไม่มีอาการฟุบลงด้วยอำ น, นาจความเกียรตครั้งด้วยกรุณาเพราะการุณาเนี่ยนะครับไม่ได้จมอยู่หยุดกูุที่เนะี่ยต้องคิดเพียรพยายามจะช่วยคนอื่นได้ยังไงเนี่ยนะครับคิดหาวิธีการอยู่ตลอดเวลาอันนี้ด้วยกรุณาประกาศภาวะที่พระองค์ไม่มีอาการฟูขึ้นด้วยกิเลส ด, ด้วยปัญญาแต่ก็ไม่ใช่ลำพองตัวมานะนะครับก็ไม่ใช่ไม่ลำพองตัวเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้หยุดอยู่นิ่ง แต่ก็ไม่ลำพองตนนะครับนี่คือด้วยพระกรุณาและพระปัญญาของพระองค์นะครับอันหนึ่งในบรรดาสรรพสัตว์การทรงอนุเคราะห์ต่อหมูชนของพระตถาคตเจ้ามีเพราะมหากรุณาอันนี้ตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะแต่พระตถาคตเจ้าก็หาได้มีพระทัยปราศจากพระกรุณาในที่ทุกแห่งไม่เพราะทรงคล้อยตามพระปัญญานะครับ คือเนื่องจากพระปัญญาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ว่าการุณาจนเสียคนนี่ก็ไม่ใช่แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไมายร้กรุณาไปเรือกเกินนี้ก็ไม่ใช่อันนี้เพราะเนื่องจากการุณาเนี่ยนะได้รับการดูแลด้วยอํานาจของปัญญางัเปัญญานี่เป็นตัวควบคุมกรุณาว่างั้นเถอะเพราะฉนั้นกรุณานั้นจึงเป็นไปด้วยดีหมายค่ะว่าการุณามีปัญญารักษาเอาไว้ พระองค์นี้ทรงมีพระทัยปล่อวางในธรรมะทั้งปวงก็ด้วยพระปัญญาแต่พระองค์ก็หาได้ประพฤติเพื่ออนุเคราะห์สัตว์ทุกประเภทไม่เพราะทรงคล้อยตามพระกรุณาข้อความในปรมัถธิปณีอัตตะถาคุธกานิกายอิติวุตกะต่อจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วได้พูดถึง คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่บอกว่าสงเคราะห์พระขวัติกับอรหาตานะว่าพระวัตานั้นหมายถึงอธิษฐานทำอะไรบ้างนะครับอรหัตานั้นหมายถึงอธิษฐานทำอะไรบ้างเป็นต้นนั่นเองเสร็จแล้วตอนหลังก็มาสงเคราะห์ว่าพระวัตานั้นหมายถึงพระมหากรุณาที่คุณ นะครับอรหานั้นหมายถึงพระปัญญาที่คุณทีนี้กรุณากับปัญญานั้นก็มาขยายว่าปัญญานี้ทำให้พระองค์เป็นพระสัตธมราชาเป็นพระราชาโดยธรรมก็พระกรุณานี้ก็คือทำให้พระองค์นทรงจำเนกธรรมเป็นต้นนะครับจะขยายมาจนถึงว่าพระองค์นี้สงเคราะห์อนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยพระมหากรุณานะครับแต่พระองค์ก็ หาได้มีพระไทยปราศจากกรุณาในที่ทุกแห่งไม่ก็เพราะปัญญาคือหมายคาอว่าผู้ที่จะบริหารกรุณาได้นั้นก็ต้องอาศัยปัญญาใช่ไหมครับเพราะถ้าหากว่าไม่มีปัญญาจริงๆเนี่ยรักษากรุณาไม่ได้นะครับจะไปสงเคราะห์เขาแต่เขาด่าเอาด่าเอาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าคนธรรมดาทั่วๆไปอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้แต่พระองค์ก็ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับก็ยังกรุณาเขาอยู่ดีนั่นแหละครับนะ้ ถ้าหากว่าเราศึกษาอละวั瓦กยักษ์นะนะในอัลลักสูตรนะนะโอ้ยไปยักษ์เนี่ยสู้รบกับพระองค์ทั้งคืนเลยนะครับพยามาอยังแค่หัวค่านะอัละวั瓦กยักษ์เนี่ยทั้งคืนเลยนะครับแล้วตอนท้ายก็ยังบอกสมณะออกไปพระองค์ก็ออกนะสมณะเข้ามาก็เข้าพูดอย่างนี้ทั้ง3ามครั้งนะครับพรงค์ก็ทําตามเลยเขบอกวันเนื่องจากว่าเขาเกลี้ยว ก, กล่ดเกินไปถ้าไม่ทําตามเลยเนี่ยมันจะเกิดปัญหาหนักข้นอกีกนะ มันจะฝึกไม่ได้นะเขาทำตามเอาใจเขาซะหน่อยอนะเสร็จแล้วก็ตอนหลังก็สงเคราะห์เขาได้จริงๆริตอนหลังก็เป็นพระโศราบันแหมพักดีกับพระพุทธเจ้าจริงๆนะถ้าฝึกสําเร็จแล้วนะบอกว่าคามาคามังปุราปุรังนัมสัมมาโนอะไรเป็นต้นเนี่ยนะข้าพเจ้าจะจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเนี่ยนะจะบูชาพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมและความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นะตอนหลังก็ศรัทธาเกินกับธรรมดาทั่วๆไปด้วยนะ ศรัทธาเกินปุตุชนทั้งหมดเลยเพราะท่านเป็นพระโสลาบันเี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังพ้นได้นะครับถ้าเขาจะได้ดีนะและพระองค์ก็ทรงมีพระทัยปล่อยวางในธรรมะทั้งปวงก็ด้วยพระปัญญาใช่ไหมครับเพราะพระองค์มีปัญญานี่แหละจึงปล่อยวางธรรมะคาว่าวางก็คือไม่ยึดถือไม่มีอุปาทานในธรรมะทั้งหมดนะครับ แต่พระองค์ก็หาได้ทรงประพฤติอนุเคราะห์สัตว์ทุกประเภทไม่เพราะทรงคล้อยตามพระกรุณาคือคือปัญญาของพระองค์เนี่ยนะครับเพื่อเพื่อสงเคราะห์แก่สัตว์ใช่ไหมแต่ก็ด้วยอนุภาพแห่งปัญญาเนี่ยนะพระองค์ก็ไม่ได้ว่าสงเคราะห์ได้ทั้งหมดนะก็สงเคราะห์ตามสมควรแก่แก่ผู้มีบุญทั้งหลายนั่นแหละเหมือนอย่างว่าพระกรุณาของพระตถาคตเจ้าเวน้นจากความเสน่หาและความโศกฉันใด ถือหมายว่าสงสารเขาก็ไม่ใช่ว่าไปผูกพันติดหนับอีกหรือเขาแหมามาได้ดีก็มานั่งทุกข์ใจอีกพระองค์ไม่มีความทรงนะฉันใดพระปัญญาของพระองค์ก็ฉั น, นั้นคือพ้นจากอาหารการและมามังการคือไม่มีมานะไม่มีทิฐิอะไรซากอย่างเลยนะครับด้วยอนุภาพของปัญญานะคือปกติแล้วเท่าที่เราเคยได้ยินนะคนที่กรุณาต่อคนอื่นมากๆก็จะติดพันกับคนอื่นหนับเลย ติดพันกับคนจนแหมจะจากเขาไปไหนเลยก็ไม่ได้เลยติดพันหนับบอกสงสารเขาไปไหนไม่ได้นะสงสารจนบวชไม่ได้นั่นแหละว่างั้นเถอะติดหนับเลยนะส น, สยนะสนสเขาเดือดร้อนอะไรหน่อยๆก็แหมันจะร้องไห้ไปกับเขาเลยได้เขาได้เขาวว่าทุกข์หน่อยก็น้าตาซึมเลยนะ่ะอันนี้คัะกรุณาที่ขาดปัญญาว่างั้นเถอะ ม, มันเป็นกรุณ า, ะ ค, ะ า, าครับจะเป็นยังไงก็มีไหมครับกุศลที่ซึมมีมีไหมครับ กุศลข้อที่ซึมก็ <c oughs> ไม่ใช่นะครับคร <c oughs> ับก็ <c oughs> ไม่ใช่แต่ว่าไอ้การุณามที่ไม่ขาดปัญญานะครับการุณาที่ขาดปัญญาก็เป็นไปแบบนั้นนะครับนะเขาจึงมีว่าสตตูใกล้ของการุณาก็คือเสียใจนะครับความเสียใจนะโทะสะศัตรูไกลก็คือโลภะนะครับเพราะว่าคนที่น่าสงสารจะไป น, นึกชอบทำยังไงใช่ไหมครับแต่ถ้าเมตตาศัตรูไกลคือโทะสะศัตรูใกล้คือโลภะนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าเจริญกรุณาไม่เป็นเดี๋ยวก็มานั่งเศร้าเสียใจกับเขาอะนะครับเดี๋ยวก็เขาเสียใจก็เสียใจไปกับเขาด้วยเอาก็ต้องเจริญกรรมมศกตาต่อแล้วนะครับสงสารก็สงสารไปแต่แต่ทีนี้ว่าถ้าเขาไม่ได้ดิบดีจริงๆก็ควรที่จะสงสารขึ้นไปอีกแต่ก็ไม่ต้องไปนั่งเสียใจอะไรถามว่าเสียใจเป็นกุศลหรืออกุศลเงี้ยมีโทษหรือไม่มีโทษให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนี่ยนะก็ต้องมานั่งฟอกจิตเราเหมือนกันนะครับ ก็เป็นอากุศ ล, ลวิตกไปแล้วธรรมดาทั่วๆไปนะครับคนมีปัญญาก็จะอาหารการมัมมังการใช่ไหมมีความสําคัญตนด้วยอานาจมานะใช่ไหมมานะว่าเราเนี่ยดีกว่าเขาเราเนี่ยประเสริฐกว่าเขาเรานี่เด่นกว่าเขาเก่งกว่าเขาฉลาดกว่าเขาเป็นต้นเนี่ยนะด้วยเปรียบเทียบตลอดแต่พระองค์ก็ไม่มีอาหารการและมะมังการอย่างนั้นเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้ที่มีมานะนี่ก็อาศัยขันทั้งหลายใช่ไหมเป็นที่ตั้งแห่งมานะ เรามีรูปดีกว่าเขาเรามีเวทนาดีกว่าเขามีสัญญาสังขารวิญญาณดีกว่าเขาเนี่ยนะก็จะเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องเปรียบกันแต่พระองค์ก็พิจารณาสิ่งที่เอามาเปรียบกันนี่แหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะครับเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรก็ไม่รู้จะเอามาเปรียบทำอะไรนะแล้วพระองค์ยังตัดบางแห่งอีกนะบอกว่าผู้ที่สาคัญในกายตนเนี่ยนะ แล้วนึกดูหมิ่นผู้อื่นจะมีอะไรนอกจากไม่เห็นอริยสัตว์นะครับก็เอากายเปื่อยๆเยน่าๆมันามาเป็นเครื่องอาฝีของฉันดีนะมันยังไม่ค่อยแตกของแกเนี่ยแตกแล้วเห็นไหมเนี่ย่งั้นนะอุจจาระของฉันเนี่ยอุจจาระสดนยไม่ค่อยเหม็นในของแกเนี่ยตั้งหลายวันมันบูดแล้วไงอันะเอาฝีเอาอุจจาระเอาขี้ฟันมาเปรียบเทียบกันทําอะไรนะครับอะนนเลือดของฉันนี่หอมหอมเลือดของแกขาวจังเนี่ยมีไหมครับพราะไม่พิจารณานี่ยแหละก็เอาสิ่งเหล่านี้มา มาเปรียบเทียบกันลำไส้ของฉันดีนะแข็งแรงอย่างเงี้ยลำไส้ของแกดูสิเน่าเวอะหว ะ, วะไปหมดอย่างเงี้ยหนังสดของฉันนี่ดีนะสะอาดของแกเนี่ยสกรปรกอย่างเงี้ยนะน้ำลายของฉันนี่หอมหอมของแกเนี่ยเหม็นจังเลยไ ม, ไ ม, ไม่ไปเปรียบเทียบทําอะไรเพราะไม่จะไม่เห็นอริยศัพท์นะครับพก็อาศัยสิ่งเหล่านี้มาเปรียบกันแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากบอกเอาน้ํามาทํานี่ใจของฉันนี่แน่จริง ใจนี้อาศัยกายใช่ไหมครับเกิดขึ้นนะโดยเป็นวัตถุเป็นอารมณ์เนี่ยนะก็กายมันยังจะพังจะพังอยู่แล้วเนี่ยแล้วนามธรรมาจะไปมันจะไปคงทนได้อย่างไรนะครับเอางี้นะก็บอกว่าโหสมมติว่านามธรรมาเหมือนเสียงตบมือเนี่ยนะแต่มือมันเป็นแผลแล้วนะจะไปยกย่องเสียงทําอะไรมากมายใช่ไหมก็มือมันยังเป็นแผลอะ่ะ เมื่อไอ้มือที่เป็นแผลตบกันแล้วมันจึงมีเสียงดังขึ้นนามธรรมาก็อาศัยวัตถุอาศัยอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นวัตถุเหล่านั้นมันพึงมันมันเปื่อยเน่าผุพังมันจะไปชื่นชมมันทําอะไรไนามธรรมาอันนั้นนะนะหรือถ้าพูดอีกนายหนึ่งก็บอกว่าเห็นคนอ่ามีแผลในปากพูดเหรอไนงะทีนี้เราโอ้เราชื่นชมเสียงเขาทาอะไรกับคนมีแผลเต็มปากไปหมดมจะพูดได้สักกี่คําจ้ะ นะเนีนามรรมาทำทั้งหลายที่อาศัยวัตถุและอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะเมื่อมีวัตถุอารมณ์นามธรรมเหล่านี้ก็เกิดขึ้นนี่ถ้าวัตถุเหล่านั้นผุพังไปอารมณ์เปลี่ยนแปลงใจอันนั้นก็เปลี่ยนไปด้วยไม่รู้จะเอานามรรมาทำทั้งหลายนี่มาเปรียบเทียบกันทําอะไรเห็นไหครับมันก็มีอายุสั้นๆเท่านั้นเองเปรียบไปก็มานะเปล่านะอันพระองค์ก็ไม่ได้มีปัญญาขนาดนั้นก็ไม่อาศัยสิ่งเหล่านี้มาเปรียบเทียบ นะครับยกตนข่มผู้อื่นอะไรที่พระองค์แสดงเป็นต้นเนี่ยนะว่าเราเป็นผู้ข้ามแล้วหรือว่าที่บอกเราเป็นบุคคลเอกเป็นต้นเนี่ยคำเหล่านี้เพื่อจะส่งเสริมสัตว์ทินรียของสัตว์ทั้งหลายพระองค์ไม่ได้พูดด้วยมานะนะครับแต่เมื่อพระองค์แสดงอย่างนี้แล้วสัตว์ทินรีย์ของสัตว์จะมีกําลังมากขึ้นเขาจะมั่นใจในพระองค์มากขึ้นเขาจะทาดีเพิ่มขึ้นอันที่พระองค์บอกว่าบุคคลเอกเกิดมาในโลกเป็นต้นเนี่ยเราจะทาคตเนี่ยเป็นหัวโจกเป็นต้นเนี่ยนะ ที่ที่พระองค์ตรัสทั้งหมดเนี่ยเพื่อส่งเสริมสัทธินิสัของสัตว์นั่นเองนะครับให้สัตว์เนี่ยมั่นใจกับพระองค์อ่ะว่าพระองค์ช่วยให้เขาพ้นทุกข์ได้จริงๆแต่ไม่ได้มาเปรียบเทียบอะไรหรอกอเปรียบเทียบในลักษณะของมารณ์เป็นต้น น, นะคือรวมความว่าพระกรุณาและปัญญาของพระองค์เนี่ยนะต่างชําระกันและกันให้บริสุทธิ์ปัญญาช่วยกรุณาการุณาช่วยปัญญาส่งเสริมซึ่งกันและกันเนี่ยนะ จึงควรเห็นว่าเป็นพระคุณบริสุทธิ์อย่างยิ่ ง, งนะนะชำระซึ่งกันและกันจนสะอาดบริสุทธิ์ใช่ั้ยครับบรรดาพระกรุณาและพระปัญญาทั้งสองนั้นขอบเขตแห่งพระปัญญาเป็นกาลังเป็นพระละของพระองค์นะครับขอบเขตแห่งพระกรุณาเป็นเวสาระชะัชเป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์ก ล, กล้าวกล้าว่างั้นนะเนี่ยนะ บรรดาพระและเวสาระชะัชทั้งสองนั้นทรงประกอบด้วยพระนะครับรถ้าทหัคคตเจ้าจึงไม่ถูกคนอื่นครอบงำนะใครจะมาครอบงำพระองค์ได้เพราะพระองค์มีปัญญาเป็นกำลังนะครับจะมาข่มพระองค์อาศัยอะไรมาขม่มนะครับพระองค์แก้ได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายข่มพระองค์ไม่ได้แต่เพราะทรงประกอบด้วยเวสาระชะัชพระองค์จึงทรงครอบงำคนอื่นได้เนี่นะ คือเวสารัชชาเนี่ยหมายถึงพระกรุณาใช่ไหมครับที่ครอบงําคนอื่นนี่ก็ไม่ได้ไปให้คนอื่นเขาโอ้โหไปสยบไปกดให้คนอื่นตำางไม่ใช่อที่ครอบงําคือหมายความว่าช่วยเขาให้พ้นจากทุกข์ได้นะครับไม่ได้ไปเหมือนกับไปข่มเหงคเนงร้ายให้เขาชอกช้ำน้ําใจอะไรหรอกครับมีไหมครับใครไปเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแม้หนักใจอึ้งไปหมดเลยนะ่ะพ่อพระ อ, องค์ทําให้เนี่ยไม่มีนะครับมีแต่เขาโล่งใจจริงๆมีแต่เขาเบ า, เบาใจจริงๆเนี่ยนะครับอ่านั้นใน ยามะกะปาฏิหาระนะครับในเรื่องในคาถาธรรมบทนะนะพระองค์ทําให้สัตว์เนี่ยโล่งใจเป็นอย่างยิ่งเหมือนนคะรไม่ทําให้สัตว์หนักใจเลยนะในสมาคมเหล่านั้นนะทาให้ทุกคนสบายใจหมดเลยนะครับนี่คือพุทธานุภาพเนี่ยนะพระองค์จะไม่เอาานุภาพมาให้สัตว์ทั้งหมดเนะี่ยเครียดให้หมดเลยนะ แล้ให้ชั้นเป็นเด่นเป็นใหญ่อยู่คนเดียวแกต้องสยบชั้นเห็นหน้าแล้วนะแกต้องสยิวต้องทําเป็นเครียดโอ้โหสุขจนก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นให้เขามีความสุขนะเห็นเขายิ้ ม, ยมแย้มแจ่มใสอันนี้แจวแล้วอยงนั้นแต่แต่ก็ให้เจริญในกุศลนั่นเองอความสําเร็จแห่งสัตว์สัมภาของพระ อ, องค์มีได้เพราะพระละทั้งหลายเนี่ยนะความที่พระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้สอนถึงพร้อมด้วยาศาสตาของเหล่าเทวดาและมนุษย์เนี่ยเพราะพระองค์มีพระละทั้งหลายนั่นเอง มีกำลังนะนะกำลังคือโทษสพลยานเป็นต้นนะนะทำให้พระ อ, องค์ทํากิจของอพระศาสดาได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ความสําเร็จแห่งศาสนาสัมปทาความถึงพร้อมแห่งศาสนามีได้เพราะเวสารัชทั้งหลายเนื่องจากพระ อ, องค์มีเวสารัชายานเป็นต้นนี่นะศาสนารมคําสอนของพระ อ, องค์เนี่ยถึงพร้อมบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะนะที่พระไตรปิฎกเนี่ยนะคำสอนบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงหมดเลย อันหนึ่งความสําเร็จแห่งพุทธรัตนะมีได้เพราะพระละนี่นะก็เลยเป็นรัตนะเลยนะครับเป็นเครื่องปลื้มใจอย่างพิเศษเลยนะเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างยิ่งเลยนะพุทธรัตนะนี่นะก็บอกว่าใครที่ตามระลึกถึงคุณของพระ อ, องค์เนี่ยนะปีติสมนัตเนี่ยจะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับตามอนุภาพแห่งการตามระลึกยิ่งระลึกมากยิ่งปีติปราโมทย์มากนะครับความสําเร็จแห่งธรรมรัตนะก็เพราะเวสารัชะทั้งหลาย น, นะ่ยนะ มรตนะนะครับสติปัฏฐานก็เป็นรัตนะโพชฌงมักมีองค์แปดเป็นต้นแต่ละอย่างเหล่านี้ก็เป็นรัตนะนะครับทีนี้จากพุทธคุณบทว่าพระวตาอรหตาเนี่ยนะทำให้ได้รัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะเมื่อพุทธรตนะธรรมรตนะเป็นไปสังคารตนะก็เลยเกิดขึ้นในโลกนะครับก็สังคารตนะก็เกิดขึ้นในโลก และท่านยังสรุปวันนี้เป็นการแสดงเพียงแนวทางการขยายความของบททั้งสองที่ว่าพระวตากับอรหัตตาในทีน่นี้แต่จริงยังเอานัยยะอื่นๆนะนี่พอเป็นตัวอย่างว่า ง, งั้น น, ะนี่ทัศน์นัยยะพอเป็นตัวอย่างให้เห็นแนวทางว่า ง, งั้นเถอนะอาศัยหลักเหล่านี้ขยายได้นะ